ย้อนนึกถึงความไรย้ยางชัก น, นำให้เป็นเช่นนี้ ประจวันคืนล่วงไปล่วงไปล่วงไปอะไรที่ฉันควรทำห่างกันใครครู หวังให้ วันล่วงไปล่วงไปอะไรที่ฉันได้ทำย้อนนึกพบความเพียพรพัฒน์ชักนำให้เป็นเช่นนี้สักโลกเป็นไปตามกรรมตอกย้ำยืนยันท่วงที่สักสื่อม ง, งาลเต็มที่คิดดีก่อนใช้ประจําวันคือล่วงไปล่วงไปอะไรที่ฉันควรทำหากคิดใครควรก่อนทํา จะนำสู่ทางสดใสเขาไว้พุ่งด้นเปลี่ยนสีคพึ่งอีพอเพียงสมใจหวังให้บทเรียนไว้ใสฝากไว้ด้วยความห่วงใย ย้อนลึกพบความเพียพรพรัมชักนำให้เป็นเช่นนี้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมตอบย้ำยืนยันทุนทีสัตว์ซื่อมงุงนางเต็มที่คิดดีก่อนใช้ประจำวันคือรวมไป่วงไปกึงปป่งมีพอเพียงสงใจหวังให้บทเพลียนไว้ใสฝากไว้ด้วยความห่วงใย